หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมจากโครงการสัมมน า, าบริบทสถาปัตยกรรมสถาปัตย์ชุบชีวิตการสร้างให้สิ่งเกิดใหม่บนวิถีชีวิตแบบเดิมโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่4ในรายวิชาสัมมน า, าบริบททางสถาปัตยกรรมโดยมีคุณราชิด ร, ระเด่นอามา์สถาปนิกในกลุ่มมลายูลิฟวิงเป็นวิทยากรรวมทั้งผู้บริหารคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมมหา วิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการนัมรยูลิฟวิ่งอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีกรมทางหลวงชนบทดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําปิงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วนายสานิตศสีสุกรักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทด้านสำรวจและออกแบบกล่าวว่า ที่ผ่านมาบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิงเป็นสะพานผิวจราจรกว้าง4เมตรประชาชนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากเนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนกันได้รวมถึงอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้สะพานทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่นันละหมู่บ้านน้ำโจ้ให้ได้ใช้สะพานที่มีมาตรฐานสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลทั้งผลิก กระเทียมหอมแดงให้ไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโดยกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงตำบลแม่นะอ เ, ะเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่ความยาว60เมตรผิวจราจรกว้าง9เมตรพร้อมถนนเชื่อมต่อและเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความลอดัยโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 22.357 ล้านบาท